เรื่งมีฝนตกเสียงดังพูดของจะไม่ค่อยได้ยินก็เลยใช้เวลานี้มาฝึกนั่งสมาธิกันดีกว่าไม่ต้องใช้หูฟังไม่ต้องใช้เสียงใช้สติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ จะใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือจะสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้พิติปิโสสวดไปหลายหลายจบด้วยกันแล้วใจจะเย็นใจจะสงบใจจะมีความสุขการฟังธรรม มีประโยชน์แต่สู้การปฏิบัติธรรมไม่ได้การฟังธรรมเพื่อให้รู้วิธีการปฏิบัติเมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจอย่างนั้นวันนี้เราต้องขอบคุณฝนฟ้าอากาศที่สนับสนุน ให้พวกเรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันดังนั้นขอให้ท่านนั่งตามอธัธยาศัยนั่งขัดสมาธิแล้วนั่งตามท่าที่ท่านเห็นว่าสมควรเหมาะสมแล้วให้ตั้งสติถ้าดูลมก็ดูที่ปลายจมูกดูเข้าดูออกหรือที่กลางหน้าอก ยุหนอพองหนอหรือจะบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็พุทธโธไปวันนี้เรามาฟังเสียงธรรมชาติกันใบพังๆก่อนพอธรรมชาติหยุดแสดงธรรมแล้วเราค่อยมาสนทนาธรรมกันต่อไปตอนนี้ฝนก็เงียบแล้ว นั่งได้ประมาณสี่สิบนาทีการนั่งสมาธินี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นที่พักของจิตใจเป็นเหมือนบ้านที่เราของร่างกายเป็นที่ร่างกายต้องพักผ่อนหลับนอนและเป็นที่รับประทานอาหาร าไม่มีที่พักของใจใจจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆกับอุปสรรคต่างๆใจจะไม่มีที่พึ่งไม่มีกำลังถ้าได้ฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆใจจะมีพลังมีกำลัง ที่จะต่อสู้กาจัดสิ่งต่างๆที่มาสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจนักปฏิบัติที่ต้องการความสงบต้องการความสุขจำเป็นที่จะต้องฝึกนั่งสมาธิให้ชำนาญ ให้สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการเหมือนกับร่างกายของเราเวลาต้องการพักผ่อนหลับนอนต้องการอาหารเราก็สามารถหาอาหารหาที่อยู่อาศัยไว้พักผ่อนหลับนอนได้ทุกเวลาร่างกายของเราจึง มีกำลังวังชาที่จะไปทำงานทำการต่างๆใจของเราก็เหมือนกับร่างกายแต่ต่างกันตรงที่ใจของเรายังหาบ้านไม่ค่อยได้หาที่อยู่ที่กินไม่ค่อยได้ถ้าเราไม่ฝึกสมาธิกันใจของเราจะไม่มีกำลัง เพราะขาดที่พักอาศัย <c oughs> กาดอาหาร <c oughs> มาเสริมพลังให้กับใจนั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะไปปฏิบัติขั้นวิปัสสนาซึ่งเป็นการไปทํางานของใจเราต้องมีที่พักอาศัยให้กับใจมีอาหารให้กับใจก่อน ถ้าใจไม่มีที่พักไม่มีอาหารใจจะไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะไปทํางานที่สําคัญขั้นต่อไปคือการกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจําจเป็นที่จะต้องมีกําลังวังชา <c oughs> กำลังวังชาของใจก็คืออุเบกขาใจสามารถอยู่เฉยๆได้แม้ว่าจะมีกิเลสตัณหา <c oughs> มาล่อมาดึงให้ไปทำอะไรก็จะมีกำลังฝืน <c oughs> ฝืนความอยากต่างๆได้ฝืนความโลภต่างๆได้ฝืนความโกรธต่างๆได้ <c oughs> ถ้าไม่มีอุเบกขาพออะไรมากระทบกับใจหน่อยใจก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆทันทีพออะไรมาทำให้โกรธก็จะโกรธทันทีพออะไรมาทำให้โลภ ก, ก็จะโลภทันทีพออะไรมาทำให้อยากก็จะอยากทันทีแล้วพอไปทำตา ม, ตามความโลภ ทำตามความโกรธทำตามความอยากความทุกข์ความวุ่นวายใจความเสียใจต่างๆก็จะตามมาต่อไปถ้ามีอุเบกขาพออะไรมากระทบให้เกิดความโลภก็เฉยได้มีอะไรมากระทบให้เกิดความอยากก็เฉยได้ พอเฉยได้ปัญหาที่จะตามมาก็ไม่มีเช่นใครพูดอะไรใครทำอะไรทำให้เราไม่พอใจอเราก็จะโกรธขึ้นมาถ้าเราระ ง, งับความโกรธไม่ได้เราก็ต้องไปพูดไปทำอะไรต่อไปพอไปพูดไปทำอะไรด้วยความโกรธก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมา ทะเลาะวิวาทกันทุบตีกันทำร้ายร่างกายกันทำร้ายทรัพย์สินกันทำลายทรัพย์สินกันเดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นลงศาลกันแล้วก็ต้องไปเสียค่าปรับเสียค่าเสียหายต้องเข้าคุกเข้าตารางไปแต่ถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขา ใจของเราจะเฉยแล้วถ้ามีปัญญาก็เพารนาว่ามันก็เป็นอนิจจังมาแล้วก็ไปใครพูดอะไรใครทำอะไรมันก็ผ่านไปแล้วการที่เราจะไปตอบโต้นี่มันกลับไปเพิ่มปัญหาขึ้นมาสู้ไม่ตอบโต้ดีกว่าสู้แต่ สักตะว่ารู้ไปเฉยไปแล้วใจที่มีอุเบกขาก็มีความสุขอ ย, ยอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วมันจะไม่หิวมันจะไม่หิวกับความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าความสุขที่จะได้จากเงินทองความสุขที่จะได้รับจากตำแหน่งต่างๆ ความสุขที่จะได้รับจากรางวัลต่างๆความสุขที่จะได้รับจากการไปดูไปฟังมหะรศบันเทิงหรือไปดืม่มไปรับประทานอะไรต่างๆความสุขเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิไม่ได้ความสุขที่ได้จากสมาธินี้เป็นความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เลิศที่สุดเพียงแต่ขั้นของสมาธินี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวเพราะเวลาออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้ก็จะค่อยคอย อางหายไปจึงต้องฝึกสมาธิบ่อยๆมากๆออกจากสมาธิมาพอความสุขที่ได้จากสมาธิหายไปก็ควรกลับเข้าไปใหม่ควรจะพยายามทําใจให้สงบอยู่เรื่อยๆทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิ พอเราสามารถที่จะรักษาความสุขให้อยู่ไปได้นานๆขั้นต่อไปเราถึงไปขั้นวิปัสนาหรือขั้นปัญญาต่อไปเพราะว่ากิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆยังไม่ได้ตายไปนั่นเอง กำลังของสมาธิเพียงแต่กดเอาไว้เรียกว่าหินทับยาหินเวลาทับยายาก็ไม่สามารถงอกงามขึ้นมาได้พอยกหินออกเดี๋ยวไม่นานต้นยาก็จะงอกงามขับขึ้นมาใหม่ได้ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆในขณะที่ใจมีความสงบก็จะไม่สามารถทำ หน้าที่ของเขาได้แต่พอใจไม่สงบขึ้นมาความโลภความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีถ้าต้องการกำจัดความโลภความหลงความอยากให้หมดไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาหรือวิปัสสนาปัญญาก็จะสอนให้ใจเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจโลภใจอยากได้ นั้นเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องทุกข์ตอนต้นเวลาได้มาก็สุขแต่ต่อไปสิ่งที่ได้มามันจะมีการเสื่อมลงไปมีการหมดไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีพอมีการเปลี่ยนแปลงมีการหมดไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะควบคุมรักษาให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเราก็อย่าไปหามันดีกว่าอย่าไปเอามันอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบที่เกิด จากการนั่งสมาธิดีกว่า น, นี่คือการใช้ปัญญาทุกครั้งที่เกิดความโลภความอยากได้ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันเสื่อมวันหมดไป เวลาเสื่อมมันหมดความเสียใจความเศร้าใจก็จะตามมาถ้าเราไปชอบคนอยากจะได้คนอยากได้คู่ครองเราก็ต้องมองให้เห็นความไม่สวยงามของคนที่เราชอบเพราะร่างกายนี้มีมุมที่น่าดูและมุมที่ไม่น่าดูส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่มุมที่น่าดู มุมที่ไม่น่าดูเราจะมองไม่เห็นถ้าเราไม่ใช้ปัญญาปัญญาก็จะสอดเสาะจะมองเข้าไปลึกใต้ผิวหนังถ้ามองาลึกเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นอาการต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายที่ผิวหนังหุ้มห่อเอาไว้ถ้ามองเข้าไปที่หน้าก็จะเห็นโครงเห็นกระโหลกศีรษะ ถ้ามองไปที่ลำตัวก็จะเห็นโครงกระดูกถ้ามองลึกเข้าไปก็จะเห็นอวัยวะต่างๆเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นสมองซึ่งอาการเหล่านี้พอเห็นแล้วก็ไม่น่าดูน่าชมอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาถ้าต้องการที่จะ หยุดความอยากต่างๆถ้าไม่ใช้ปัญญานี้จะหยุดความอยากมีแฟนไม่ได้เวลาเห็นแฟนแล้วจะหลงไหลข้างไคร้เห็นแล้วสวยเห็นแล้งามเห็นแลหล่ออยากจะอยู่ใกล้เขาแต่ถ้ามองลึกๆเข้าไปข้างในก็เหมือนกับไปอยู่กับซากศพนี่เอง เพียงแต่ยังหายใจได้อยู่อพอไม่หายใจแล้วทีนี้ก็ยกให้สับปเปลอได้เลยเแถมเงินให้สับปเปลอด้วยช่วยเอาไปจัดการให้หน่อย เ, อเก็บไว้ไม่ไดเ้เพราะถ้าอยู่ต่อไปเดี๋ยวจะส่งกลิ่นเหม็นออกม า, านี่คืออสุภะความไม่สวยงามของร่างกาย ถ้าเรายังมีความอยากมีแฟนอยู่ถ้าเรามีความอยากกินอยากรับประทานอยากหาความสุขจากการรับประทานอาหารเราก็ต้องมองอาหารในมุมที่ไม่น่ากินอย่าไปมองที่มุมอร่อยไปมองที่มุมไม่อร่อยมุมไม่อร่อยอยู่ตรงไหนอยู่ในปากเวลาเข้าไปในปากแล้วเคี้ยวแล้วบด้ด้ฟัน ผสมกับน้ำลายากำลังรสชากำลังเด็ดกำลังอร่อยกำลังอลองคายออกมาดูหน้าตามันหน่อยอว่ามันอร่อยอย่างนี้หน้าตามันเป็นอย่างไรเราดูซสียว่าจะตักกลับเข้าไปกินใหม่ได้ไหมค า, า, ายอาหารออกมาที่เคี้ยวอยู่หรืออาเจเยนอาหารออกม า, าหรือเวลาขับถ่ายออกมา อันนี้ก็เป็นอาหารทั้งนั้นถ้าเห็นอาหารแบบมุมไม่อร่อยแล้วก็จะไม่อยากรับประทานถ้าไปมองในมุมอร่อยมองตอนที่อยู่ในจานนี้เห็นแล้วก็น้าลายไหลอยากจะรับประทานพอไปมองในมุมไม่อร่อยความอยากจะรับประทานอาหารก็จะหายไปอันนี้เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการที่จะลดน้ำหนัก ไม่จาเป็นที่จะต้องไปเสียเงินไปออกกำลังพิษหนกพิษเด็ดไปทำอะไรต่างๆใช้ปัญญาดีกว่าใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารนี่คือลักษณะของปัญญาชนิดต่างๆที่หลังจากที่ได้สมาธิแล้วเราจาเป็นที่จะต้องมาเจริญกันมาพิจารณากันอยู่เนือง ถ้าอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุข mm hmm. ก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมอนัตตาควบคุมบังคับเขาไม่ได้ให้เขาอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เขาจะต้องมีการจากกันไปจากเราไปถ้าเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นว่าอนัตตา เราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เวลาเขาจากเราเราก็จะทุกข์ไดไม่อยากทุกข์อย่าไปมีดีกว่าไม่มีเขาแล้วเราก็ไม่ทุกข์พอมีอะไรเราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีทันทีมีเงินทองก็ทุกข์กับเงินทองมีตำแหน่งก็ทุกข์กับตาแหน่งมีสรรเสริญก็ต้องทุกข์กับนินทาเดี๋ยวต้องมีคนนินทา มีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวก็ต้องมีความทุกข์เวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสนั้นหายไปหมดไปนี่คือเวลาออกจากสมาธิมาแล้วให้ฝึกคิดในทางนี้คิดไปในทางไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาคิดไปในทางอสุภะคิดไปในทางปฏิกูล แล้วเวลาที่เกิดความอยากในสิ่งต่างๆเหล่านั้นปัญญาก็จะมาเตือนทันทีว่าเป็นทุกข์นะไม่เที่ยงนะถ้าอยากได้แฟนก็บอกว่าเป็นนัสสุภะนะมีอาการสามสิบสองนะถ้าอยากจะกินอาหารก็กว่าไม่น่ากินนะเวลาเข้าไปในปากแล้วอาหารนี่กลายเป็นของสกปรกไปแนละ้ว ทายออกมานี่ก็ยังไม่ยามตัดเข้าปากกลับเข้าไปใหม่นี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องทําหลังจากที่เรามีความชํานาญในสมาธิแล้วถ้ายังไม่ชํานาญอย่าเพิ่งไปทางปัญญาเพราะเมื่อใช้ปัญญาแล้วอาจจะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แล้วถ้าเรา ไม่ชนานาญในสมาธิเราจะหยุดมันไม่ได้หรือหยุดมันยากแต่ถ้าเรามีความชำนาญในสมาธิพอปัญญาเริ่มกลายเป็นความฟุง้งซ่านเราก็หยุดมันก่อนกลับเข้าไปพักในสมาธิก่อนแสดงว่ากำลังของสมาธิหมด <c oughs> ก็ต้องหยุดการพิจารณาปัญญาไว้ชั่วคราวแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิเพื่อเสริมกำลังของสมาธิคือความสงบ พอจิตได้สงบได้พักผ่อนแล้วค่อยออกมาพิจารณาทางปัญญาต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไปจนกว่าเราจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอความอยากหมดสิ้นไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างปัญหาให้กับใจอีกต่อไปใจก็จะสุขสงบไปอย่างถาวร เป็นนิบานังปัลลังสุขขังขึ้นมาความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจะสุขอย่างนี้ไปตลอดเวลาใจของพระพุทธเจ้านี้สองันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็ยังสุขเต็มที่เหมือนตั้งแต่วันที่ทรงบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพาน คือวันเพ็ญเดือนหกวันวิสาขาบูชามาจนถึงบัดนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วใจของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นบ ร, รมมัสกอยู่บรลังสุขขังอยู่และจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ส่วนใจของพวกเรานี้ก็ปรำมังทุกขังอยู่ทุกขับเรื่องนั้นทุกับเรื่องนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็มักจะทุกข์เพราะใจมีความอยากหลากหลายด้วยกันอยากได้ในสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มีก็อยากจะไม่ได้เพราะเบื่อก็มี อันนี้เป็นปัญหาของใจที่ต้องได้รับการกำจัดด้วยการฝึกสมาธิและปัญญาที่พวกเรามาฝึกกันในวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปปฏิบัติต่อแล้ววันหนึ่งปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆความอยากต่างๆจะหมดสิ้นไปจากใจอย่างแน่นอน เพราะว่าเป็นเหตุเป็นผลพระพุทธเจ้าทำได้เราก็ทำได้ใจของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับใจของพวกเราพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกเราดังนั้นถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกัน ก็ขอให้ท่านจงนำมาไปพิจารณาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยาทาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติยิชตังปฏชิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจโตสัพเพโปรเตุสังกปาจันโทปนะราโสยทามนิจติราโสยทาสสะพิติโยวิวัจจันโต สัพพะโรโกวินาทสัตวมาเตผวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทนัสสลิตสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรมมวาทันติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไรวันนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามาทั้งหมด159คนย t u b บ140คนวิทยุออนไลน์วันนี้เชื่อมต่อไม่ได้ครับผู้รับฟังบนเขา116คนรวมทั้งหมด415ท่านครับผมช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหา ใครมีคําถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามเองก็ได้หรือว่าจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ขอให้ถามในช่วงที่เรายังประชุมกันอยู่ถ้าเลิกประชุมแล้วต้องขออนุญาตงดตอบคําถามเพราะเป็นเวลาพักผ่อนอเชิญถามได้คําถามฝากถามจากทางบ้านค่ะ ให้ทานคนยากจนที่ลําบากกับการใส่บาตรพระได้บุญเหมือนกันใหม่เจ้าคะเพราะพี่สาวชอบว่าทำไมไม่ใส่บาตรให้พ่อแม่ที่เสียไปแล้วถ้าเป็นเงินจำนวนเท่ากันก็บุญก็ได้เท่ากันเพราะการทำทานนี้เราไม่ได้วัดที่คนรับวัดที่การเสียสละของคนให้เสียสละมากก็ได้บุญมาก เสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยเช่นถ้าทําบุญร้อยหนึ่งกับทําบุญพันหนึ่งคนที่ทําบุญพันหนึ่งย่อมได้บุญมากกว่าคนที่ทําบุญร้อยหนึ่งออันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเอแต่ประโยชน์ที่เราทํากับคนที่เราทําด้วยนี่เขาอาจจะไปทําประโยชน์ได้ไม่เหมือนกัน ทำบุญกับพระพระท่านก็ไปทําประโยชน์ทางศาสนาให้กับพวกเราไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมไปบรรลุธรรมแล้วท่านก็จะได้เอาธรรมมาถอยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราทํากับขอทานคนยากจนเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรให้กับเราได้เพราะเขาไม่มีความสามารถเพียงแต่ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเองยังเอาตัวไม่รอดแล้วเขาจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูหลายแงย่หลายมุมถ้าเขาอดอยากขาดแคนก็ควรที่จะให้เขาช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเพราะทำไมเช่นนั้นเขาอาจจะต้องไปลักขมโมยหรือไปทำอาชญากรรมอย่างใดอย่างหนึง่งก็ได้ หรือถ้าเขาไม่มีทางออกเขาอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้เห yeah. ็นเราก็อาจจะช่วยเขาในทางนี้ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาไปโดยที่เราไม่หวังอะไรจากเขาแต่ yeah. <Yeah. S 2> ถ้าเราหวังจากคนที่เราไปทำบุญด้วย พระพุทธเจ้าก็บอกให้เลือกทำกับคนที่ดีที่สุดที่ฉลาดที่สุดที่เก่งที่สุดเนี่ยเช่นทาบุญกับพระพุทธเจ้าจะได้ประโยชน์มากที่สุดแต่ถ้าเราไม่ได้คิดทางด้านนี้เราคิดเพียงแต่ความสุขใจสบายใจของเราเราทำกับใครก็ได้ทากับคนทากับคนที่เรา ชอบทําทําแล้วมีเรามีความรู้สึกสบายใจกว่าแล้วก็ทํากับคนนั้นบางคนใส่บาตรแล้วไม่ค่อยสุขใจเหมือนกับให้ขอทานเพราะเขามองว่าพระมีคนใส่บาตรเยอะแล้วเขาใส่เข้าไปคนหนึ่งก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรแต่ถ้าให้ขอทานนี่ขอทานนี่จะได้กินอาหารที่เขาให้ทั้งหมดเลยเขาก็จะ ชอบทำบุญกับขอทานกับคนยากจนก็ได้เพราะเขาเขามีความรู้สึกที่มีความสุขกว่าที่เขาได้ทำบุญกับพระใส่บาตรเพราะว่าเห็นว่าพระมีคนใส่เยอะแล้วอาหารที่พระได้มาที้พระคงจะกินไม่ได้หมดคนเดียวก็เลยแบ่งไปทำบุญกับคนยากจนแทนอย่างนี้ก็ได้ มันแล้วแต่มุมมองของเราว่าเราทำบุญเพื่อประโยชน์อันใดถ้าเราต้องการทำบุญเพื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้อยู่เพื่อเป็นที่พึ่งของพวกเราต่อไปเราก็ต้องทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าให้พระองค์สง์เจ้าท่านมีกำลังวังชาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปแต่ถ้าเราเห็นว่าท่านมีพอเพียงมีมากเกินไป เราจะแบ่งไปทำกับผู้ที่ยากไร้ก็ได้บางทีพระต้องเป็นผู้ทำเองก็มีเวลาพระได้ของมาเยอะๆทางวัดก็ไม่เก็บเอาไว้เอาไปแจกคนยากคนจนต่อไปเพียงแต่ไม่ไปทำแบบเปิดเผยไม่ให้ความให้ผู้ที่ทำบุญอาจจะมีความรู้สึกเสียใจที่รับของเขาแล้วไม่เอาไปใช้ให้เขาแต่เนื่องจากว่ามันมากจนเกินไป ก็เลยต้องเอาไปให้คนยากคนจนต่อไปเช่นะอาหารนี้บางทีก็เหลือมากก็แบ่งให้คนยากคนจนไปหลังจากที่พระได้ส่วนที่พระต้องการแล้วที่เหลือก็ให้สัตยาญาิโยมไปแบ่งกันช่วยกันแจกกันไปคำถามต่อไปจากคุณทัศนีอินอานงน์นวัชการค่ะพระอาจารย์ อยากสอบถามว่าการบริกรรมพุโทโธคือให้จิตมันท่องพุโทโธใช่ไหมคะแต่ว่าโยมไม่รู้ว่าจิตมันอยู่ตรงไหนควรจะฝึกอย่างไรเจ้าคะ่ะจิตอยู่ที่คำพุโทโธนั่นแหละพอเราท่องพุโทโธพุธโทโธจิตก็อยู่ตรงนั้นยังไงเราอยู่กับคำท่องพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับความคิดอย่างอื่นที่อาจจะแทรกเข้ามาได้ อย่าไปสนใจกับเสียงกับอะไรต่างๆที่อาจจะเข้ามาให้ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณปาริชาติชิ ต, ตโสพลกราบนมัสการเจ้าค่ะเด็กสมาธิสัน้คนควรฝึกสมาธิอย่างไรเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสมาธิสั้นก็คือสติสั้นนั่นเองสติน้อยก็ต้องฝึกสติให้มาก ให้เด็กทำอะไรที่ต้องจดจ่ออยู่การที่กำลังทำอยู่หรือให้เด็กท่องพุโทโธหัดท่องพุโทโธพุธโทโธไปอันนี้ก็จะทำให้เพิ่มสติให้มีมากขึ้นแล้วต่อไปก็จะมีสมาธิที่ยาวขึ้นไป คำถามจากคุณทูมหมหลวงพ่อครับทำอย่างไรจะได้จิตสงบตลอดไปครับช่วยบอกทีครับสาธุก็ต้องฝึกสมาธิไปตลอดเวลาฮะสลับนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมหรือว่าทำอะไรก็ให้มีสติคอยควบคุมใจ ใช้พุโทโธพุธโทโธไปก็ได้อาบน้ำก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปกินอาหารก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วก็ใจก็จะสงบพอว่างก็นั่งหลับตาพุโทโธต่อถ้าไม่พุโทโธจะดูลมหายใจแทนก็ได้สลับกันได้ คำ <c oughs> ถามต่อไปจากคุณจินชุตาทิมรักนั่งสมาธิแล้วปวดขาจนทนไม่ได้เลยค่ะสู้ไม่ชนะสักทีทนแล้วก็พิจารณาแล้วก็เอาอุบายมาหลอกก็แล้วมันก็ไม่ทนอยู่ได้อยู่ดีเจ้าค่ะเป็นอันต้องยอมแพ้ลืมตาทุกทีขอหลวงพ่อช่วยแนะนําวิธีที่ถูกต้องด้วยเจ้าค่ะ เราก็ต้องใช้การท่องพุโทโธนะครท่องพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บของร่างกายหรือจะสวดมนต์ไปแทนพุโทโธก็ได้สวดไปให้อยู่กับการสวดมนต์ไปไม่ต้องออกเสียงสวดมนต์ไปภายในใจท่องพุโทโธไปภายในใจอย่าไปหยุดแล้วความเจ็บมันจะไม่มารบกวนใจแล้วจิตใจก็จะผ่านความเจ็บไปได้ต่อไป Mm hmm. มีคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกล่าบพระอาจารย์ค่ะขอเมตตาจากพระอาจารย์ตอนนี้นั่งสมาธิกับทากิจวัตรประจำวันที่ไม่ต้องใช้ความคิดพยายามพุทโธค่ะแต่ก่อนจะเห็นว่าเราคือผู้ท่องพุทโธแต่ตอนนี้ในบางครั้งเราจะเห็นว่าเรารู้พุทโธค่ะหนูคิดไปเองไหมคะ ถ้าเห็นแบบนี้แล้วหนูควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะเอเห็นแล้วเห็นแบบนี้แล้วไม่เห็นแบบนี้ก็ไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือขอให้เราควบคุมความคิดด้วยพุโทโธให้ได้อย่าปล่อยให้ใจเราคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กใจอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวเอ แล้วมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาดูลมไปหรือพุทโธไปแล้วใจก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นจนนิ่งไปในที่สุดแล้วก็จะเกิดความเบาอกเบาใจความสบายอกสบายใจที่ไม่เคยพบมาก่อนอหมดแล้ ว, ลวเอะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอแต่ต้องมีความพยายามมากต้องให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียว หรือให้อยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวไม่ว่ามีอะไรจะมาดึงไปก็อย่าไปพยายามเกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปหรือดูลมหายใจไปแล้วแต่วิธีไหนที่จะเหมาะกับเราในตอนนั้นก็เลือกเอาแล้วต่อไปจิตก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับ เพราะจิตไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไดออ้การปฏิบัตินี้ต้องอาศัยความอดทนออถ้าไม่มีความอดทนนี้จะปฏิบัติไม่ได้พอนั่งปุ๊บเดี๋ยวก็รู้สึกอึดอัดตรงนั้นอึดอัดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้อย่าไปสนใจปล่อยมันคันไปปล่อยมันอึดอัดไปเราพุโทโธของเราไปหรือดูลมไปหรือสวดมนต์ไป แล้ว เ, เดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านั้นมันจะหายไป เ, ยเราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปเกาไม่ต้องไปขยับร่างกายเกาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกขยับเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกปล่อยให้มันอยู่แล้วเดี๋ยวมันเบื่อมันก็ไปเอง เ, เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้เราอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วอาการต่างๆจะไม่ทำให้เรารู้สึกลาคาญใจแต่อย่างใด แต่ถ้าไม่พุโทโธไม่มีอะไรกำกับใจอะไรโผล่ขึ้นมานี่ก็จะลำขานขึ้นมาแล้วจะทนนั่งต่อไปไม่ได้นั้นก่อนที่จะมานั่งควรที่จะหัดพุดโทโธไว้ก่อนเพราะถ้าจะมาหัดตอนที่นั่งมันจำมันเวลาไม่พ อ, อ ต้องหัดทำบ่อยๆทำให้ชำนาญเหมือนกับหัดว่ายน้ำไว้ก่อนไม่ใช่มาว่ายตอนที่ตกน้ำตอนที่เรือล่มแล้วค่อยมาหัดว่ายน้ำตอนนั้นไม่ทันการต้องหัดว่ายก่อนว่ายเป็นก่อนพอเวลาเรือล่มเราก็จะได้ไว่ายน้ำไปได้ฉันได้เวลานั่งสมาธิเราต้องใช้พุทโธใช้การสวดมนต์หรือใช้การดูลมหายใจ แต่ถ้าเราไม่ฝึกก่อนพอถึงเวลาเราจะทําไม่ได้เพราะเราไม่เคยทํำทั้งทั้งที่เป็นของง่ายคําว่าพุทโธท่องพุทโธคําเดียวมันจะยากตรงไหนแต่ถ้ามันไม่เคยท่องมันก็จะไม่อยากจะท่องมันไม่เคยท่องต้องหัดท่องให้มันท่องจนกระทั่งมันอาชินกับการท่องพอมันชินแล้วทีนี้ให้มันท่องมันก็ท่องไปได้เรื่อยๆแล้วการท่องนี้จะช่วยทําให้ใจ วางเฉยไม่วุ่นวายไม่ลำคายกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจเห็นการฝึกสตินี้สำคัญมากถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิยังไงก็นั่งไม่ได้ต้องนั่งด้วยสติ จะมีสติก็ต้องหมั่นพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาตื่นขึ้นมาพอจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอ า, อ, อาบน้ําอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าให้พุโทโธก็ให้เฝ้าดูว่ากําลังทํำอะไรกําลังแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันกําลังล้างหน้าก็อยู่กับการล้างหน้าไปะ ทำอย่างนี้ไปเป็นการฝึกสติแล้วพอเวลามานั่งมันจะนั่งได้มันจะไม่รู้สึกอึดอัดมันจะไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อาจจะเจ็บบ้างนิดหน่อยพอเริ่มต้นเดี๋ยวพอไม่สนใจกับมันปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าไม่มีสตินี่เดี๋ยวเดียวพอเป็นอะไรขึ้นมานี้ทนไม่ไหวแล้วนั่งไม่ได้ ดัรการฝึกสตินี้สำคัญมากถ้าต้องการความสงบต้องการสมาธิสมาธิมันเกิดจากการมีสติถ้าไม่มีสติสมาธิก็เกิดขึ้นมาไม่ได้มีคำถามอีกไหมแร้อยังไม่มีไม่มีแล้วเจค่ะมีใครอยากจะถามไหมเอ่อ<ม>